อาจจะเดินพรทุกท่านเทศกาลปีใหม่ด้วยลักษณะการปฏิบัติธรรมก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กานเวลามันก็เป็นสิ่งที่ผ่านไปนับเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนี่ะ็หมุนอยู่ที่เก่านั่นแหละยกตว่ า, า, เาเราเอาวันเดือนปีไปจับพอให้รู้ว่าผ่านไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีอันนี้ก็คือธรรมชาติอีกอย่างหนึ่ง แต่ถ้าเราอยู่ไม่ได้ทำความดีให้กับตัวเองเวลามันก็ผ่านไปเฉยๆก็ไม่ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้น <c oughs> อยากให้พวกเรารู้จักระบบการเวียนว่ายตายเกิด ระบบการเบี่ยนบ่ายตายเกิดก็ถือเอาจิตใจนี้เป็นหลักหลักใหญ่จะถือว่าเป็นชีวิตแก่นแท้ของความเป็นชีวิตก็คือจิตใจ เขเวียนไหวตายเกิดอยู่ตามธรรมชาติอันนี้มานานแสนนานก็พูดง่ายๆเราถูกหลอกมาตลอดถูกหลอกมาตลอดพบในก็หลอกพบในก็หลอกหลอกไปเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ำกลางไม่มีที่สิ้นสุด ระบบของความเป็นธรรมชาติจิตดวงนี้เขาไม่เคยตายเขาไม่มีแก่ไม่มีเก็บไม่มีตายเขาเป็นนักท่องเที่ยวอยู่ในวัฏจกักรอันนี้มานานแสนนา น, าน ไม่มีพบไหนที่จะทำให้เขาสมหวังไปได้จิตดวงนี้ข็บอกไว้ว่าเขาไม่ขึ้นอยู่กับชาติตระกูลไหนเลยเขาไม่มีเพศหญิงเพศชายเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับชาติตระกูลไหนเขาไม่ได้มีพบภูมิอาศัยที่แท้จริง เขาไม่ยึดติดอยู่กับพบไหนภูมิไหนทั้งนั้นเขาเป็นนักท่องเที่ยวไปแต่ละพบละชาติเพราะฉะนั้นแก่นแท้ของความเป็นชีวิตก็คือจิตดวงนี้ละ่ะแก่นแท้ของความเป็นชีวิตก็คือจิตดวงนี้พบชาติแต่ละพบระชาติเป็นส่วนประกอบ เข้าใจไหมเดี๋ยวนี้จิตดวงนี้เขามีภพชาติของความเป็นมนุษย์ประกอบเขาประดับเขาอยู่ชั่งหน่อยก็จะหมดเวลาแล้วต่อไปก็ไม่รู้ว่าภพไหนภูมิไหนจะมาประดับอยู่กับการปฏิบัติตนของเราถ้าปฏิบัติตนในสิ่งที่เป็นบุญมากก็าอาจจะได้ พบภูมิที่ดีๆหน่อยมาประดับจิตใจดวงนี้ถ้าไม่ได้สร้างคุณงามความดีก็จะไปอีกระบบหนึ่งเขาท่องเที่ยวอยู่ในเนี้ยไม่รู้ว่ากี่กับกี่กันแล้วชาตินี้มาเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะไปแล้วก็จะหมดเวลาแล้วเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็จะหมดเวลาแล้วที่น่ากลัวที่สุดจิตดวงเนี้ที่น่ากลัวที่สุ ด, สดเขาช่วยตัวเองไม่ได้เขาจะเป็นนักเกิดนักตายนักเสก ไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อ ย, เ, อ ย, เ, อยเขาช่วยตัวเองของเขาไม่ได้เลยที่น่ากลัวที่สุดคือเขาเกิดเป็นอะไรก็ได้แต่ชาตินี้เรารู้แล้วล่ะว่าจิตดวงนี้คือดอกเรารู้แล้ว มาจิตดวงนี้คือเราจริงๆร่างกายอันนี้เป็นส่วนประกอบถ้ามันได้หมดสภาพลงมันก็ช่วยตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะร่างกายอันนี้ก็เป็นภาระคนอื่นต้องเอาเข้าไปในเตาเผาคนอื่นก็ต้องหามไปเราก็ช่วยตัวเองไม่ได้ ที่น่ากลัวที่สุดคือเขาเป็นอะไรก็ได้พวกเรามาอยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ยเราถึงถามพวกคุณว่าตายแล้วจะไปไหนกันพวกคุณก่อนจะมาถึงเมืองมนุษย์นี่ไม่รู้ว่าเกิดเป็นสัตว์อะไรบ้าง ไม่รู้ว่าเกิดเป็นสัตว์อะไรบ้างมาอยู่ในเมืองมนุษย์ยังมาหลงอีกเนะี่ยถ้าไม่มีศาสนาเนี่ยจะไม่ได้บอกว่าหลงเลยอันนี้มีศาสนาเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของความเป็นชีวิตชี้หนทางออกโดยเฉพาะแต่พวกเราก็ไม่เอากัน แล้วพวกเราจะไปไหนกันธรรมชาติอันนี้ไม่ต้องทำอะไรกับเขาเขาก็ไปได้อย่างสบายจิต ด, ดวงนี้เขาไม่เคยเจอทางตันจิต ด, ดวงนี้เขาไม่มีคช่องว่างสำหรับเขาว่าไม่ได้เกิดเลย ออกจากนี้เกิดเป็นนั้นออกจากนั้นเป็นนั้นเป็นนั้นตามบาปตามบุญที่เขามีบาปบุญนี่แหละจะเป็นสิ่งตกแต่งจะเป็นสิ่สงชี้ให้เข้าไปแต่ละภพและภูมิบาปบุญนี่แหละแล้วก็ยังงงอยู่เอพวกเรานี่ไม่ใช่คนโงู้นะฉลาด แต่จะฉลาดหาความสุขให้กับตัวเองตัดพพตัดชาติเข้าสู่ความสุขที่แท้จริงเนี่ยไม่เอามาอย่างไงไม่รู้อยู่อย่างไงไม่รู้จับไปอย่างไงไม่รู้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เขาให้ชื่อนั้นนามสกุลนี้พวกคุณรู้ตัวว่างไหมว่ากำลังถูกหลอกอยู่ ใครจะอยู่ในโลกวัตตะอันเนี้ยเขาถูกธรรมชาติหลอกมาตลอดสั์มาตลอดสั์มาตลอดตลอดตลอดชาตินี้พวกเราไม่น่าจะปล่อยให้ตัวเองผ่านไปเฉยๆเพราะพุทธศาสนาตั้งอยู่ คำว่าพุทธศาสนาประกอบด้วยศีลด้วยธรรมธรรมก็เป็นสิ่งที่เป็นนิยานิกระทธรรมเป็นพระธรรมนำออกพระพุริเจ้าตราสดล้วนะว่ามีอยู่หนทางเดียวใครจะเก่งกาจสามารถสร้างลทัทธิใดขึ้นมากี่ลทัทธิมีเป็นหมื่นเป็นแสนลทัทธิ ถ้าไม่เอาระบบของความเป็นศาสนาพุทธนี่จะไม่มีทางออกเลยพระพุทธเจ้าตรัสได้นะคำตรัดของพระพุทธเจ้านี้คือแขังมากสักศิษ์มากเอโกมัคโคมีอยู่หนทางเดียวจะ ก, กี่ลรธิจะ ก, กี่ศาสนาอยู่ในโลกเนี้ย ไม่มีสิทธิ์ที่จะสอนคนออกไปได้ไม่มีสิทธิ์ใครจะอุปโลกตนขึ้นมาว่าเป็นผู้รู้ขนาดไหนถ้านอกศาสนาออกไปแล้วเป็นลทัทธิอื่นๆแล้วไม่มีทาง ไม่มีทางอย่าบอกใครเพราะฉะนั้นพวกเราทำอะไรกันอยู่โอกาสทองนี่นนี่นะโอกาสทองสุดๆชีวิตถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เขาก็จะว่ามนุษย์ถ้าไปเกิดเป็นหมาเขาก็จะว่าเป็นหมาแต่จิตดวงนี้เขาไม่เคยเป็น <c oughs> เขาไม่มีเพศมีไหวได้เกิดเป็นผู้หญิงอยู่สิงในร่างผู้หญิงเขาก็จะว่าผู้หญิงสิงในร่างผู้ชายเขาก็จะว่าผู้ชายแต่เราทราบไม่ได้ว่าสร้างบุญเท่าไหร่ถึงได้เกิดมาเป็นชายสร้างบุญเท่าไหร่ถึงได้เกิดมาเป็นหญิงสร้างบุญเท่าไหร่ถึงได้เกิดมาเป็นหมูเป็นหมากาไก่ พระเราดนบางคนก็นอาจจะตั้งใจสร้างตนให้เป็นมนุษย์หรือว่าไม่มีเลยมีใครตั้งใจมาบ้างมาด้วยความหลงหลงทำบุญไว้ถึงเต็มเมื่อไหร่ไม่ดูพอดีได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เดียวนี้นิดเดียวเท่านั้นก็จะไปแล้ว ท่านแน่ใจแล้วหรือว่าท่านจะอยู่ได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีท่านแน่ใจแล้วหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังขวนขวายหาอยู่เนี่ยว่าจะเอาไปได้ท่านหลอกระบบนี้มานานแสนานานแล้วนานแสนนา น, านอย่าได้คิดว่า พวกคุณจะเกิดเป็นมนุษย์ตลอดไปนะท่านผู้รู้คือพระพุทธเจ้านั้นตรัสเอาไว้ว่าเมื่อพวกท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพวกท่านจะทำให้ตัวเองเป็นเกิดเป็นมนุษย์ติดต่อกันสองชาติสามชาติรู้สึกว่าเป็นของยากที่สุดเมื่อตรงนี้ยาก แล้วอยากจะถามซ้ำลงไปอีกว่าจะไปไหนกันจะไปไหนกันตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายทำงานหามรุ่งหามค่ำตอนจะไปใช้เวลาไม่กี่นาที หยิบจ่วยอะไรไม่ได้สักอย่างน่าคิดไหมพวกท่านน่าคิดไหมคนที่อยู่ข้างเคียงเราเราก็เข้าใจว่าเป็นคนของเราถามไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่รู้เขามาจากที่ไหนพอมาปิ๊งกันแล้วก็มาแต่งงานกันไม่รู้ว่าคนคนนี้คือใคร พอแต่งงานกันแล้วก็เอา้าอยู่ไม่นานผู้เป็นภรรยาก็ท้องคลอดออกมาก็ไม่รู้ว่าคนคนนี้คือใครก็มาถือว่าเป็นลูกของเราพวกคุณรู้ไหมว่าพวกคุณถูกหลอกมานาน พวกคุณน่าจะศึกษาความเป็นธรรมชาติเนี่ยที่พระพระทุทธเจ้าเรียกว่าวัฏฏจักรเบี่ยน่หยตายเกิดถ้าทำบุญดีอาจจะกลับมาเป็นมนุษย์ในเดี๋ยวๆนี้ก็ได้ถ้าทำบุญไม่ดีอาจจะไปเป็นฉลามอยู่ก้นทะเลก็ได้ เพราะจิตอันนี้เขาไม่เคยปฏิเสธเขาเอามาบเอาบุญว่าแก้ไขกันตรงไหนแก้ไขกันที่จิตโดยใช้หลักการของทางพระพุทธศาสนานสินสมาธิปัญญาเดี๋ยวนี้พวกเราอยู่ตามธรรมชาตินะอยู่ตามญากรรม พวกเราไม่เคยแก้ไขตัวเองเพื่อชีวิตหลังการตายเลยถ้ามันได้ลงไปถ้ามันขาดทุนแล้วมันลงไปในอบายยูุิเป็นสถานที่ได้ครับทุกขเวทนาอยู่ทุกวินาทีนะไม่มีบิ๊กซีโลตัไม่มี C, Lotus, มม7ซเว่นเนนะจะบอกให้ เวลาที่จะได้พักผ่อนแม้แต่วินาทีเดียวเลยจนกรรมนั้นหมดถึงจะได้ออกเพราะฉะนั้นการแก้ไขะศาสนาก็เป็นอิสระเต็มที่ไม่เลือกชาติชั้นบรรณะไม่เลือกเพศเลือกวัยให้ผลไม่มีการไม่เลือกการสถานที่ ไม่ทราบว่า พ, พวกเรารอใครพวกท่านแน่ใจแล้วหรือว่ามันที่เราจะตายหมอจะช่วยได้พวกท่านแน่ใจแล้วเหรือว่า มียาใดยาหนึ่งมาไม่ให้ท่านตายนี่ใจแล้วเหรอเวลาเราจะตายขเขาจะช่วยเราได้ไม่มีนะไม่มีตายต่อหน้าต่อตาลูกลูกห ล, ลานนั่นละ่ะ ไายคะ่ะอ้อมกอดอ้อมแขนลูกลูกห ล, ลานนั่นแหละถ้ามันมันจะตายจริงๆเพราะฉะนั้นโอกาสทองที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์หูไม่หนวกตาไม่บอดเจอศาสนาตั้งอยู่แบบเต็มรูปแบบ มีพระสงฆ์องค์ขสมเนนมาสาทยายให้เข้า อ, อกเข้าใจท่านยังทำหูหนาตาเถื่อนอยู่ท่านจะไปเสียใจภายหลังนะทั้ว่าเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใบ้บ้าปัญญาสามแล้วเจอศาสนาประดับอยู่อย่างเต็มรูปแบบเนี้ยรู้สึกว่า จะคำนวณกันเป็นกลับเป็นกันเลยนะไม่ใช่จะมาพร้อมกันได้ไง่ายๆแต่เดียเด๋ยวนี้เราทําอะไรกันอยู่เราทาอะไรกันอยู่ไม่ได้เสียค่าเทอมไม่ได้เสียอุปกรณ์การเรียนไม่เรื่อง ก, การสถานที่คำว่าศาสน า, าคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ทันสมัยอยู่เสมอใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะ ยุคเจริญขนาดไหนคำสอนของพระพุทธเจ้ายังเป็นเครื่องมือสังหารกิเลสอยู่โดยตรงแล้วพวกเราทำอะไรอยู่ธรรมะที่ชัดเจนที่สุดก็คือการเกิดเกี่ยเก็บตายเขาเรียกว่าธรรมะเปิดเผย เห็นเห็นชัดชัดอยู่ตอนมาผ้าก็ไม่ได้มีนุ่งมาฟันก็ไม่มีต้องมาเลี้ยงมีแม่เลี้ยงประคบประงมอยู่ไม่รู้ว่ากี่เดือนกี่ปีถึงเดินได้พูดได้แต่ตอนจะไปเนี่ยเหมือนผีเหมือนสางเอาหนังก็เหี่ยวเนื้อก็ย่นทุกอย่าง ไปแบบทุลักทุเลไม่คิดกันบ้างเลยเหรอนี่ธรรมะเปิดเผยทั้งเห็นทั้งรู้ทั้งสัมผัสได้เกิดขึ้นทุกทุกคนด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีรูปแบบไม่มีตัวตน ไม่มีแสงสีเสียงแต่ถ้าพวกท่านให้ความเป็นศรัทธาเข้าไปเกี่ยวข้องธรรมะเหล่านี้แหละจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดธรรมะเหล่านี้นะจะเป็นสิ่งชี้หนทางออกให้กับท่าน ความเป็นยะถากรรมยาวนะถูกหลอกมาไม่เฉยๆก็ไม่เท่าไหร่นะความเป็นจริงก็ไม่รู้ความเป็นธรรมก็ไม่มีความสมหวังก็ไม่มีไปด้วยความผิดหวังผิดบังผิดบังคือความเป็นธรรมชาติเนี่ย มีหน้าที่อยู่อย่างเดียวคือไปเกิดไปตายเกิดแต่และภพระชาติหมดอายุขแล้วก็เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนเสร็จแล้วหมดอายุไขแล้วก็เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไม่ได้ไปเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งนั้นท่านไปเป็นอินเป็นพรหมท่านก็ไม่ได้หอบเงินหอบทองลงมานะมามือเปล่า เป็นมนุษย์เนี่ยของเต็มโลกธาะทในท่านก็เตรียมแล้วละ่ะจะไปมือเปล่าท่านรู้ตัวบ้างไหมว่าท่านถูกหลอกอยู่ทุกวินาทีเดี๋ยวเนี้เพราะฉะนั้นการแก้ไขเป็นสิ่งสำคัญการแก้ไขก็ พระองค์พระพุทธองค์ก็ไม่ได้ให้พวกเราลำบากยากเข็นอะไรนะพากันละชั่วทำดีขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใสได้ลูกหลานถ้าท่านทำได้อย่างนี้ท่านอยากไปเกิดที่ไหนมันไม่ใช่ปัญหาเลยต่อให้ว่าพระนิพพานที่เขาบอกว่าไปยากๆถ้าสามข้อนี้สมบูรณ์แล้ว ท่านไปอย่างสบายองค์อาจเลยและชั่วทำดีขัดเกลอกิจใจให้ผ่องใสเพราะจัดอยู่ในทาเจัดอยู่ในศีลสมาธิปัญญานี่แหละเพราะฉะนั้นจิตเป็นแก่นแท้ของความเป็นชีวิตจิตเป็นตัวของเราจริงๆ จ, จิตเป็นผู้นัก ท่องเที่ยวอยู่ในมัตตใ น, นี้มานานเสียนานแต่เขาช่วยตัวเองไม่ได้ชาติที่จะช่วยได้ก็คือชาติที่เป็นมนุษย์ถึงจะรู้กันได้ว่าจิตคือเราเดี๋ยวนี้เรามีทั้งสติมีทั้งปัญญามีทั้งสมองเขาก็ไม่มีตัวตนเหมือนกัน เขาเป็นนามธรรมทำยังไงจะรู้จากเขาเบื้องต้นนักปฏิบัติธรรมเขาจะมารู้ทางอารมณ์อารมณ์คืออาการของจิตพอเข้าใจไหมอันนี้อาการเฉยๆนะ อารมณ์คืออาการของจิตจิตตัวนี้เขาเสพติดทางอารมณ์มานานเสนนานเดี๋ยวนี้เขาก็ยังเสพติดทางอารมณ์อยู่ตลอดเวลาท่านซักผ้าหรือว่าท่านกําลังทํางานอื่นๆอยู่อย่างสบายท่านรู้บ้างไหมว่าจิตของคุณไม่ได้อยู่กับคุณเลย เขาไปเสพอารมณ์อยู่จังหวัดไหนไม่รู้แม้แต่ท่านทานก๋วยเตี๋ยวอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยก็เถอะเขาไม่ได้อยู่กับเราเลยเขาออกไปเสพอารมณ์ของเขาอยู่จังหวัดไหนไม่รู้นี่คือความเป็นธรรมชาติเขาเป็นนักเสพติดทางอารมณ์ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ถ้าเราไม่ตั้งสติเข้าไปช่วยเขาในภพภ um ูมิท nin ี nin ่กำลังเป็นมนุษย์อยู่นี้ภพภูมิอื่นจะช่วยไม่ได้เลยพอเข้าใจไหมภพภูมิอื่นจะช่วยไม่ได้เลยนะเพราะขาดร่างกายอันนี้ ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานมีร่างกายเหมือนกันแตขาาแ่ขาดการสื่อสารภาษาไปเสียแล้วขาดการสื่อสารภาษาไปเสียแล้วเป็นมนุษย์ครบท่วนทุกอย่างสื่อสารได้ร่างกายอันนี้ร่างกายหยาบก็มีสติปัญญาเพื่อที่จะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างทั้ง วัตถุแล้วก็ทั้งทางใจแต่เดี๋ยวนี้พวกเราทิ้งใจไว้นานแล้วอารมณ์คืออาการของจิตบางวันหรือว่าบางอาทิตย์คุณก็จะบอกว่าคุณลางานพักผ่อนแต่ถามว่าจิตของคุณได้พักผ่อนไหม ไม่ได้พักนะถึงคุณจะหยุดงานอยู่บ้านคนเดียวก็คิดเข้าใจตรงนั้นว่าพักงานแต่จิตของคุณนี้ทำงานปกติธรรมดาที่เคยเป็นอย่างถ้าอ า, อาจารย์เปลี่ยนพูดไปเมื่อกี้เนี่ยการพักจิตก็คือเข้าสู่การเป็นสมาธิถึงจะถือว่าพักผ่อน อาการของจิตเพราะฉะนั้นถึงได้เกิดการภาวนาขึ้นมาภาวนาเพิ่งฟังแล้วเมื่อกี้นี่ก็ใกล้ๆกันนั่นแหละเหมือนกันเดียเลยดึงมาดึงมากาหนดอาการของจิตก็คืออารมณ์ถ้าเราหยุดอารมณ์ได้ก็คือหยุด จิตไม่ให้เสพอารมณ์ได้ถ้ายังมีอารมณ์อยู่ก็คือเขาเสพอยู่ถ้าเราหยุดไม่ได้ควบคุมพื้นที่ทางใจไม่ได้เนี่ยไม่ได้เลยท่านอยากรู้ว่าท่านจะไปพระนิพพานได้หรือไม่ได้ไม่ยากเลยท่านลองกาหนด สติควบคุมพื้นที่ทางจิตควบคุมได้ไหมให้อยู่กับเป็นหนึ่งถ้าควบคุมได้ตามใจของตัวเองเข้าไปที่ไหนคุมได้เข้าไปครังไรคุมได้คุมได้ต้องการจะเอากี่ชั่วโมงต้องการจะเอากี่วันถ้าเป็นลักษณะนี้พระนิพพานไม่ได้มีไม่ได้อยู่ไกลเลย พานิชภานี้ความมาแบบง่ายๆถ้าคุณควบคุมพื้นที่ทางใจไม่ได้จะได้คิดเลยอย่าได้คิดเลยบอกว่าไม่ได้เลยก็ได้พานิชภานีเกี่ยวข้องกับจิตใจโดยเฉพาะนะ ควบคุมพื้นที่ทางใจพื้นที่สีแดงเอาธรรมชาติของใจธรรมชาติของใจพวกเราไม่เคยตั้งสติหรือว่าเอะใจกับอาการต่างๆของจิตใจเลยเวลาเขาโกรธขึ้นมาพวกเราน่าจะนึก ได้นะว่าเอออันนี้มันมันเป็นมาตั้งนานแล้วนะเวลาเขากโกรธเวลาเขาหลงเวลาเขาชอบคนใดคนหนึ่งขึ้นมานี่พวกเราน่าจะเอะใจเข้าไปดูอาการของเขาแล้วนะว่าเอออันนี้มันมันมาตั้งยาวนานแล้วมันเป็นธรรมชาติที่ประจำโลกอยู่เนี้ย ถ้าใช้ลงไปก็เป็นโทษทันทีนี่พวกเราไม่เคยเอะใจแล้วก็คิดค้นหาเหตุหาผลสักหน่อยเลยอะอะไรเกิดขึ้นสนองไปจนจบอะไรเกิดขึ้นสนองไปจนหมดลทธิ์หมดเดชของเขาแล้วก็ลอยออกไปลอยออกไปเอาอารมณ์ใหม่มาเสพอยู่มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่สนใจที่จะแก้ไขมันก็เป็นไปอยู่อย่างนี้ถ้าจะแก้ไขก็เข้ามาหา อารมณ์นี้แหละคืออาการของจิตเราให้พวกคุณไปกี่ครั้งแล้วไม่รู้นาทีวัทีนี่นะเราให้พวกคุณไปไม่รู้กี่ครั้งมันน่าจะถามว่าแก้ไขธรรมชาติที่มีอยู่ไหนๆมันก็ เป็นสามีภรรยากันแล้วไหนๆก็เป็นลูกเป็นหลานกันแล้วหน้าที่ตรงนี้เราต้องทำให้สมบูรณ์แต่เพิ่มหน้าที่ที่แก้ไขทำความสะอาดทางด้านจิตใจนี้เข้ามาเป็นหนึ่งของความเป็นชีวิตนะถึงจะทันถ้าพวกคุณทำไม่ทันปัญหาใหญ่เกิดขึ้นเลยถ้าพวกคุณทำไม่ทันนะ ปัญหาใหญ่เกิดขึ้นกับชีวิตนี้เลยเราไม่รู้หรอกเราไปเดาสักภาพหนึ่งมันก็เหมือนเรามาเป็นมนุษย์เลยจ๊ะจำอะไรก็ไม่ได้ออกไปก็จะไปเสียดายอยู่นิดหนึ่งแค่นั้นแหะเข้าสู่ระบบถ้าสมมติว่าเปเป็นเปรตเป็นผีก็จะมานั่งคิดอยู่นิดหนึ่งว่าเอ๊ะ เราไม่น่าเลยนะพระมาเทศทีโอท OT ีนี้ก็พระกรรมฐานแทบจะทุกองทั้งนั้นแต่ ข, ดขาดการปฏิบัติของเราเองถึงมาอยู่ในสภาพอย่างนี้สักพักหนึ่งมันก็จะเข้าสู่ระบบของการเป็นเปรตเป็นผีแล้วมันเกิดจะลืมไปแต่ผู้มีฌานมียานมาเห็นเปรตตัวนั้นเขาจะรู้ทันทีเลยว่าอ๋อ คนคนนี้เคยอยู่ตรงนั้นตรงนี้นอนแต่เราเป็นมนุษย์ถ้าคุณบวกเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีเดียวสมมติว่าคุณจำชาติได้ก็จิตตรงนั้นละ่ะคือเราจิตดวงนั้นละ่ะเป็นผู้ระลึกได้ สมมุติว่าเราทำงานอยู่ทีโอทีตายไปไม่รู้กี่พบกี่ชาติกับมาที่โอ ท, อทียังตั้งอยู่ในโอรู้หมดอันนี้ถ้าจําได้นะถ้าจําไม่ได้ก็ใช้ความระลึกเห็นได้สัมผัสได้พอเออคล้ายๆกับรู้กับเห็นเนี่ยเอาแล้กับจิต ด, ดวงนั้นแหละดวงเก่าดึงดวงเดิมนั่นแหละมาก็เรานั่นแหละไม่รู้ว่าเขาไปทนทุกข์ทรมานอยู่ที่ไหน เพิองเพก็กลับมาแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างนี้หรือว่าจะปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้หรือว่าจะปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้ถ้าปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้ไม่ต้องมาฟังเทศเขาไปได้สบาย หรือว่าจะปล่อยว้ตามธรรมชาติแต่นานนะไม่มีจุดหมายปลายทางเราถูกหลอกถูกต้มถูกตุนมาตลอดตลอดตลอดตลอดตลอดตลอดพระพุทธเจ้าบอกว่าไปเกิดไปตายเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาอะไรเลยแยกไขไหม จิตใจอ่ะใจิตใจแต่และ ว, วันนี้เรารู้สึกตัวสมมุติว่าเรานอนในกับตอนกลางคืนอ่ะตอนเช้ามาเรารู้สึกตัวพบยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันเลยมันไปแล้วมันไปรอบประเทศไทยแล้วนะแต่และ ว, วันพวกคุณเอาเขามาใช้งานกี่ครั้ง ไม่รู้สมมติว่าคุณมีปัญหาในเรื่องงานอ่านหนังสือจะทําความเข้าใจร่างหนังสือหรือว่าคิดเลขบวกเลขหารเลขมันก็หรือว่ามีคนมาด่าอย่างงี้อ่ะมันมาเนี่มีคนมาด่ า, ยย า, นนาเนี่ ย, ม, ม, ยมันมาแน่ แต่มันมาในลักษณะไม่ใช่คนดีนะลักษณะมันจะเอาคืนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถามว่าวันหนึ่งคุณเอาเขามาใช้งานกี่เรื่อง เขามาถึงเราไหมสมมุติว่าเราตอนเที่ยงนี้เราไม่ได้ทานข้าวรู้สึกว่าหิวหิวเขามาถึงตัวเราไหมไม่ถึงนะเขาทราบอาการแล้วเขาก็ไปเขาทราบอาการมาหิวแล้วเขาก็ไปอยากถามว่าคุณ่เขาเอาเขามาใช้วันหนึ่งกี่เรื่องแทบจะไม่มีเลย แทบจะไม่มีเลยเวลาที่เขาอยู่ <c oughs> ข้างนอกรู้ไหมว่าเกิดบาปกับเกิดบุญถ้าคิดดีก็เป็นบุญถ้าคิดชั่วก็เป็นบาปทีนี้เราลองมาเนื่อว่าวันหนึ่งเราคิดดีกี่เรื่องคิดชั่วกี่เรื่อง ถ้าคิดไม่ได้อาตมาจะบอกให้ก็ได้จิตใจดวงเนี้ยเขาอยู่ในฐานะของความเป็นปุถุชนเขาเยืยนอยู่ในดวงหนาป่ากิเลสจะให้เขาคิดดีมากกว่าชั่วเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ เ, ไไไดเพราะฉะนั้นเขาออกไปเนี่ย ได้บาปมากกว่าบุญนะทั้งๆที่ผู้เป็นเจ้าของจริงๆไม่รู้เลยว่าเขาสร้งางบาปรือสร้างบุญอยู่เพราะขาดสติเข้าไปดูไปรู้ก็ส่วนนี้เราไม่ต้องขนนขวยไม่ต้อง ทำงานหามรุ่งหามค่ำจิตออกไปเที่ยวเท่านั้นบาปกับบุญกลายมาเป็นสมบัติของเราทันทีโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือธรรมชาติเมื่อไหร่พวกคุณจะหยุดธรรมชาตินี้ได้สมมติว่าหลวงปู่มั่นหรือว่าหลวงปู่ต่างๆนี่อ่ะ การเกิดพวกก็เกิดเหมือนพวกเราเนี่ยแหละแต่พอมาเจอศาสนาปุ๊บท่านหยุดเลยท่านกลับลำเลยไม่เจอศาสนาปุ๊บท่านกลับลำตามพระพุทธเจ้าเลยแต่พวกเรานี่ไปไม่สนใจเลยเนี่พวกเราพวกเราไม่รู้ระบบของความเป็นธรรมชาติ เพราะฉะนั้นคนอื่นมาด่าเราเราอย่าเพิ่งไปคิดอะไรคิดของคิดระบบของความเป็นธรรมชาติไว้ก่อนอ๋ออันนี้มันมีตั้งนานเสียนานแล้วนะจิตใจเขาก็พร้อมที่จะรับหน้าได้อย่างสบายมีมานานเสียนานแล้วถ้าคุณเท่าทันอย่างเงี้ยใช่เลยใช่เลย คุณไม่เคยเอกใจกับความเป็นธรรมชาติอยู่ตามยะถากรรมจิตดวงนี้ถ้ามีตัวมีตนผมก็ไม่ตัดสะก็ไม่สะน้ำก็ไม่อาบน้ำปีเลยท่องเที่ยวไม่มีการไม่มีเวลาเสพติด ท, ทางอารมณ์นี่ยนะ จะให้ก็เขาไปค๋วยเตี๋ยวกาแฟนี่เขาไม่ไปสถานที่ท่องเที่ยวของจิตใจคือที่ไหนสถานที่ท่องเที่ยวของจิตใจอยู่ที่ไหนเขาไม่ได้ไปบิ๊กซีโลตัดคฮมโปร โ, โกโบอนที่ไหนนะ เขาอยู่กับคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นก็อืมเขาถ้าเขาท่องเที่ยวอยู่เนี้ยความพอใจหรือไม่พอใจคนดีหรือไม่ดีนี่แหละอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีอันนี้ก็เขาท่องเที่ยวอยู่นี้เขาไม่ได้ไปไหนนี่ม่สสำคัญตรงนี้นะ่ะเขาไม่ได้ไปไหนเลย แต่จะเข้าไปขัดเกลวพระพุทธเจ้าก็จะไปดีนะสมาธิเกิดขึ้นได้ที่จิตใจที่เดียวความเป็นฌานเป็นญาณเกิดได้จิตใจที่เดียวความไม่ดีทั้งหลายที่ทำให้เราเป็นสุขเป็นทุกข์ปนเปื้อนกันอยู่ทุกวันนี้ จะไปดับลงที่ขนแก่นหรือว่าสกลนครหรือว่ากรุงเทพหรือว่าที่ไหนไม่ได้เลยต้องมาดับลงที่ใจต้องมาดับลงที่ใจเพราะฉะนั้นใสสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจคือบรรยากาศของความเป็นพระนิพพานพวกเรารอใครรอใคร เครื่องมือก็ครบนะแต่ท่านไม่มีความสามารถที่จะควบคุมพื้นที่ทางใจให้ปราศจากอารมณ์ได้ถ้าท่านทำตรงนี้ไม่ได้ท่านจะปรารถนาพระนิพพานกี่พบกี่ชาติก็สูญเปล่าความเป็นชีวิตของเราก็หลีลงหลีลงพร้อมที่จะกลายไปเป็นความดับในเดิมเดิมนี้ เรายังไม่ได้คิดเลยเรายังรุ่มหลงมัวเมาอยู่กับวัตถุสิ่งของเข้าของเงินทองดีหรือไม่ดีพ่อของเราซึ่งเป็นมหาโพธิสัตว์ราชการที่ 9. เก้าเตือนเราอยู่ตลอดเวลาว่าพอเพียงนะลูกหลาน พออยู่พอกินอย่าไปตีกันด่ากันให้เสียเวลาเลยสิ่งที่เราควรจะทำมากที่สุดคือขัดกระเรากิจใจแต่ถูกผู้เป็นเจ้าของมองข้ามอยู่ตลอดเวลาว่าจะไปเอาอันผาดจะไปเอาจากลัวจะไปเอา ไม่ได้มองเห็นเลยว่าสิ่งที่ตกเป็นทาสของความโลภความโกรธความหลงอยู่กับเรานี้เองแล้วเมื่อไรพวกเราจะพ้นทุกข์กันการแหกสนามวัตตจักรออกไปหาบรรยากาศของความเป็นพระนิพพานเขาแหกด้วยความบริสุทธิ์ใจ ใสะอาดบริสุทธิ์แหกได้อย่างสบายพบไหนชาติไหนที่มีศาสนาประดับโลกอยู่พบนั้นชาตินั้นพระพุทธเจ้าสร้างสะพานจากเมืองมนุษย์สู่ พระนิพพานอย่างสะดวกสบายแต่พบในชาติไหนไม่มีาศาสนาสะพานอันนี้จะไม่มีเลยเดี๋ยวนี้เวลานี้สะพานอันนี้ยังเดินได้อย่างสบายแต่เราไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปเดินได้เลยเพราะขาดบางสิ่งบางอย่างใช่ไหม ถ้ามีอำนาจศีลอำนาจสมาธิอำนาจปัญญาเดินได้อย่างสบายเลยถ้าไม่มีอำนาจเหล่านี้เข้าไปเหยียบแค่นั้นเราก็ห ง, ง, นะงายตึงเลยน่ะหงายตึงเลยเพราะเราจะทํำยังไงทําความสะอาดทางด้านจิตใจตามหลักของพระพุทธศาสนาเธอกําหนดเข้ามาพุทโธรู้ใจก็ได้หรือว่าจะดูลมหายใจก็ได้หรือว่าจะ กำหนดตามที่อาตมาอธิบายให้เรื่อย ๆ, ๆ, ๆอันนี้คือวิธีการถ้าวิธีการที่ถูกต้องถ้าขาดความเพียนก็อย่าได้คิดเลยว่าจะเหยียบเข้าไปในสะพานอันนี้ได้ต้องมีความเข้าใจแล้วก็พร้อมทั้งความเพียนผสมประสานกันอย่างสมบูรณ์ถึงจะเป็นผู้อ ง, งาอาจอยู่ในกลางสะพานพระนิพนานได้นะ่ะ พวกเรารอใครไม่มีพระเอกขีมะขาวมาแน่ไม่มีพระเอกีมะขาวมาแน่พระเ อ, ก, ะเะเอกตายเหมือนกันนะยังพวกเราจะทำยังไงเอาจะบริกรรมพุโทโธก็ได้นะ่ะจะดูลมหายใจก็ได้ดูลมหายใจเนี่ยอยากจะถามสักหน่อยหนึ่งว่าใครเป็นผู้ดูลมลมนี้เป็นเครื่องถูกรู้ ผู้รู้ลมคือไกรบริกรรมพุทโธก็เหมือนกันเราจะให้กำหนดกำหนดนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างสติสติสตินี้จะเป็นตัวรู้ว่าเราคิดเรื่องอะไรหรือว่าไม่คิด สติตัวนี้สำคัญมากสติตัวนี้ถ้าแก่ตัวไปแล้วมันจะกลายไปเป็นฌานเป็นญาณอย่างรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ใช่ธรรมดานะจิตใจดวงเนี้ยถ้าบำรุงรักษาเขาถูกทางเขาก็จะกลับตาลปัดทันทีพร้อมที่จะเข้าสู่สนามความรู้จริงเห็นจริงเลยนะ เดี๋ยวนี้พวกเราทําอะไรกันอยู่เราเสียดายความเป็นมนุษย์ของเรานะเสียดายเวลาที่หมุนผ่านไปผ่านไปเสียดายคาสอนของพระพุทธเจ้าที่กําลังก้องอยู่ในโลกอันนี้อยู่ไม่รู้ว่าพวกเราต้องการอะไรเราจะบอกให้ว่าเขาตัดประเทศไทยให้คุณครึ่งหนึ่งคุณยัง ไม่สามารถที่จะรักษาได้เลยนะต่อให้พวกคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดอยากได้คุณก็ไม่เห็นมีความสุขเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เสนอสนองความเป็นไม่ได้เสนอสนองเป็นความสุขที่แท้จริงเลย เป็นสิ่งหลอกลวงอีกต่างหากที่ประกอบอยู่ในพบในในชาติต่างๆเป็นส่วนประกอบที่จะมาหลอกลวงเราอีกต่างหากในภพภูมิต่างๆไม่รู้ว่าพวกคุณต้องการอะไรกำหนดไหม พเราเข้าใจไหมที่เราเอามาอธิบายอ่ะถ้าพวกคุณเข้าใจควบคุมมื้นที่ลองดูลองดูสักห้าวันถ้าจะเข้าไปควบคุมปุ๊บไม่ต้องการให้คิดก็ควบคุมได้เลยต้องการให้คิดก็ปล่อยได้เลยถ้าเป็นลักษณะนี้จะไปเมื่อไหร่ก็ได้อนน่านิพาน ถ้าควบคุมไม่ได้นี่ยากอยู่นะแต่อาศัยการฝึกระยะยาวถ้าพูดการฝึกระยะยาวเนี่ยมันมีสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องคืออายุไขพวกองพวกเราก็ขนาดนี้แล้วมีนี่มันจะทันไหมอะ่ะเราถึงบอกว่าถ้าไหนาๆก็จะตายแล้วปฏิบัติธรรมก็ ลักษณะของกา ร, รเด็จศึกดีกว่ายังไงก็ยังไงอะอยังไงก็ต้องตายเด็ดขาดกับการปฏิบัติธรรมกำหนดเข้าไปเลยตายเป็นตายถ้าไม่ใช้ยาฉีดที่แรงการปฏิบัติอุกฤษมันจะไม่ทันนะ มันจะไม่ทันถามว่าเราสงสารไหมเราสงสารพวกคุณนะสงสารชาวพุทธชาวพุทธทั้งหลายเดี๋ยวนี้ถ้าเปรียบกับพระพุทธศาสนานะถ้าเปรียบชาวพุทธกับพุทธศาสนาเดียเด๋ยวนีว้เหมือนข้างคาวอยู่ในถ้ำแล้วขาเกาะ ถ้ำแล้วก็ห้อยหัวลงมาก็ผนังอันนั้นหละเป็นพุทธศาสนาซึ่งไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมาอิงมาเกาะมาแขวนอยู่เฉยๆในเดี๋ยวนี้นะอาตจมาถึงจากชักชวนให้พวกเราเข้าสู่ระบบของการภาวนานี้คือระบบการแก้ไขถ้าเรามีอำนาจ เราจะชวนคนทั้งหลายนี่มามองใจซึ่งเป็นประโยชน์มหาศาลเลยมองใจรักษาใจเป็นประโยชน์มหาศาลพวกเราต้องการอะไรเอาต้องการอะไรอะไรเดี๋ยวนี้เวลานี้พวกคุณยังต้องการอะไรอยู่ ยังต้องการอะไรอยู่ยังมีสิ่งที่จะให้พวกคุณมีความสุขขึ้นไปกว่านี้อยู่เหรอสงสารตัวเองไม่ดีเหรอเราว่าเนี่ยพาตัวเองปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่ปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมเนี่ย พวกท่านรู้ไหมว่ามันเป็นทรัพย์สินหลังการตายทั้งนั้นนะมันเป็นทรัพย์สินหลังการตายถ้าเราไม่ได้สร้างจะมีไหมไม่มีนะแล้วพวกคุณจะไปกับใครเงินมันก็สำคัญอยู่ในชาติปัจจุบันถ้าเราหมดลมหายใจแล้วมันใช้บุญอย่างเดียวนะ่ะ เงินนี่มันใช้ได้เฉพาะเมืองมนุษย์ที่เดียวบุญนี่มันไปทุกภพทุกชาติอ่ะมันรักษาตัวเราทุกภพทุกชาติแต่พวกเราสร้างพอที่จะเป็นที่พึ่งได้หรือยังไม่ใช่ว่าสร้างนิดเดียวออกจากเมืองมนุษย์ไปก็ไปเป็นเทวดาเทวบุตรเทวดาอยู่พบเดียวหมดแล้ว หมดอายุไขจากเทวดาลงมาแล้วก็บุญหมดแล้วขึ้นไม่ได้อีกแล้วขึ้นไม่ได้อีกแล้วไปไหนอาทีนี้มันคก็วนอยู่ตรงนี้สูงๆต่ำๆรุ่มๆโดนๆไม่มีพบภูมิไหนที่จะทําให้เราสมบังได้พบภูมิที่จะทําให้เราสมบังได้คือพบภูมินี้แหละถ้าได้จัดการเข้าสู่ระบบการแก้ไขนะ่ะถ้าไม่ได้ เข้าการแก้ไขก็ไม่สมบังเนี่ยกำลังจะผิดหวังโดยตรงความรู้สึกพวกคุณจัดได้ไหมจัดได้ความรู้สึกระหว่างกายโน๊ กายหยาบกับกายละเอียดเป็นเขาแนบกันอยู่สนิทเลยแต่เขาแนบกันอยู่เฉยๆนะเขาส่งกระแสออกทำงานข้างนอกนะร่างกายอันนี้เป็นคอนโดของเขาเขาได้คอนโดคือร่างกายของเราเนี่นะ่ะมาพัก เราก็ส่งกระแสเสพอารมณ์อยู่นอกกายคนถือว่าร่างกายอันนี้ถือว่าคอนโดของใจถึงเวลาหลับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้ามาสิงสถิตยอยู่นี้สักนิดหนึ่งเข้าสู่พระวังสักอึดใจหนึ่งก็เลยไปหลับ จะเอาอย่างไรเ็ดมงสนทนาธรรมกันบายๆแล้วเราค่อยมาอธิบายเรื่องของสมาธิเรื่องของกายหยาบกายละเอียดเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นจะทำยังไง ความยึดมั่นถือมั่นมันมีรู้สึกว่าเป็นเส้นเส้นนู่นนะแต่จุดที่เราจะทำงานมีกี่จุดทำแล้วได้อะไรเกิดขึ้นอย่างไรเราค่อยมาคุยกันอันนี้คือเวลามันก็น้อยเวลาบ่ายนั้นเราซัดกันซัดเอาจบบ่าเนาะ วันนี้อธิบายให้เลยนะอธิบายให้หมดเลยเรี่อว่ามันไม่ได้มาง่ายหรือเราจะจับหลักขององค์ใดองค์หนึ่งอยู่ก็ปฏิบัติตามไปนั้นๆเราจะเอาวิธีการมาโต้แย้งหรือว่าขัดแย้งขัดให้เป็นเรื่องพูดคุยเกิดเกิดขึ้น การทำสมาธิวิธีการของแต่ละองค์ละท่านไม่เหมือนกันยึดหลักหนแล้วก็ยึดแล้วก็ทำให้จริงเวลาเป็นสมาธิลงที่เดียวกันนั่นแหละเวลาเป็นสมาธิลงที่เดียวกันต่างกันเฉพาะวิธีควบคุมถ้าเป็นยาก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย ตอนออกมาในรูปแบบนี้องค์นั้นก็เอาไปทำเป็นลูกก้อนองค์น้ำก็ไปทำเป็นยาน้ำองคือแล้วแต่แต่ละองค์ผลิตไม่เหมือนกันแต่ของอาตมาเนี่ยอาตมาก็ศึกไม่ใช่ศึกษานะปฏิบัติมาอย่างชคโซนมนกันนะจะฟังลมหายใจก็ได้จะฟังบริกรรมพุทโธก็ได้ จะกาหนดก็ได้แต่รู้สึกว่าปฏิบัติมาแล้วมาเทียบกันดูสามวิธีเนี่ยวิธีที่เหมาะสมกับญาติโยมก็คือกำหนดเพราะได้ทุกอริยบทกำหนดรู้ไม่ต้องนั่งสมาธิทำกิจวัตรประจำวันไปแต่รู้สึกว่าเอาออกมาแล้ว มันไม่ค่อยมีใครทำได้จะเอาพุทธโธก็ได้จะเอาลมหายใจก็ได้แต่มันนานนานแล้วก็อันตรายด้วยอันตรายเพราะอะไรบริกรรมพุทธโธกับลมหายใจเนี่ยมันจะมีนิมิตเข้ามาเกี่ยวข้องพวกแล้ว นักปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าไปเจอนิมิตเอาแล้วพร้อมที่จะหลงพร้อมที่จะเป๋ไปทันทีถ้าเป๋เข้าไปตรงนั้นแล้วใครไปบอกไปเตือนก็ไม่เชื่อไม่รู้มันเป็นอะไรคนดีๆนี่กว่ากลายเป็นคนบ้าไปเลยนะเออแต่การกำหนดเนี่ย กำหนดให้ได้ทุกระยะระยะระย ะ, ะ, ยะนี่ถ้าเขาเต็มภูมิของเขาแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีนิมิตแหละถ้าเป็นสมาธิของเขาปืดลงไปถึงอัปนานสมาธิเลยไม่มีนิมิตมาเกี่ยวข้องเรานี่เลี่ยงพวกคุณไม่อยากให้เจอนิมิตเพราะสันดานของคนเนี่ยถ้าไปเจอเนี่ยแทบทุกคนน่ะไม่รู้มันเป็นอะไร ท, ทั้งทั้งที่เตือนแล้วเตือนอีกนะ ยังไม่เกิดก็เตือนเกิดแล้วกว็เตือนไม่รู้มันเป็นอะไรนิมิตมันก็มีสองอย่างเนาะอคหานิมิตนี่คือภาพที่ไหวจริงไม่ได้อติภาคานิมิตนี่คือภาพไหวไหวจริงได้แต่สัญญา เข้าทางหูทางตาไปถึงใจเคลื่อนไหวได้ไหมภาพที่ใจเคลื่อนไหวอยู่ทุกเวลาใช่ไหมใช่ไหม ภาพที่ภาพในใจอ่ะใช่ไม่ใช่ถ้านักภาวนากำหนดความรู้สึกจะเห็นได้ชัดภาพที่อยู่ในใจ รับจากหูก็ช่างรับจากตาก็ช่างเขาเรียกวิญญาณหูวิญญาณตาเข้าไปถึงใจนี้ยังเป็นภาพดินน้นได้อยู่ความรู้สึกคืออาการของจิตการภาวนานี้ตรงตั้งสติให้ปึกเลยนะยิง สติให้เป็นลักษณะยิงเลเซอร์สกัดเลยดับอารมณ์ตัดกระแสไม่ได้เลยหรือวาตัดกระแสแล้วดึงเข้ามาถึงฐานเลยทำเป็นความรู้สึกอยู่ไหนๆกูก็ถูกหลอกลวงมาถึงขนาดนี้แล้วกูยังจะไปต่ออีกหรือไม่ไปเอารู้สึกลงไปรู้สึกลงไปจี้ลงไปนี่ เรานี่ไม่ได้นะเรานี่หยิบเยับขึ้นมาไม่ได้นะสับเลยนะสตินี่แหละสับหยุดกึกหยุดกึกเลยยิบยับเพราะที่จะเป็นเรื่องเป็นเอาออกจากนอกกายเข้าไปนี่มันเป็นเซตที่คลาดอย่างดีนะ่ะตัวนี้มันจะตั้งไม่ได้ตั้งเป็นแอมธรรมดาหนะ่ะตั้งเป็นมิลลนะิแอมหน่ะชนิดที่ว่ายิบยับเพราะเลยนะ พวกคุณยังต้องการอะไรอยู่พวกคุณยังต้องการอะไรอยู่คนที่นอนข้างเคียงเราอะเราก็ถือว่าฝากเป็นฝากตายกันคุณเห็นบางบทที่เขาแสดงกับเราไหมคล้ายๆกับว่าเป็นศัตรูกันมาหลายภพหลายชาติอ่ะมันจะพึ่งกันที่ไหนอะอ่ะ ถ้าเขาไม่พอใจขึ้นมาแล้วเอ้าบทไม่พอใจนี่แหละเขาจะแสดงบทบาทออกมาเห็นได้ชัดๆเลยลหละตายใจอยู่เหรอพวกคุณต้องการอะไรอยู่เดี๋ยวเนี้ยถ้ายังมีความหมังอะไรงานอะไรติดๆค้างๆอยู่ก็ทำให้เสียเสียหน้าที่ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ทำให้สมบูรณ หน้าที่ที่เราจะไปเด่ยคือขัดเกลากิจใจเนี่ยใครทำให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาพร้อมกันห้าพระองค์ยังช่วยเราไม่ได้เลยเรารอใครเ ร, เรายังถามว่ารอใคร อย่าว่าตั้งแต่พระองค์เดียวเลยต่อให้กุกุสันโทโกนาคมโนกัสโปสิริสัมปโนโคตมโมสั ก, กยปุง่งขบวนนี่เกิดขึ้นมาพร้อมกันทั้งหมดเนี่ยยังช่วยเราไม่ได้เลยเรารอใครรีบตัดสินใจเสียนะรีบตัดสินใจเสียอตาตมาไม่ใช่ถือของ ไม่ดีมาฝากพวกคุณนะเอาแต่ของดีๆมาฝากพวกคุณทั้งนั้นผลมันไม่เกิดเี้เราโทษพวกคุณได้เลยเราไม่สงสัยในคำพูดของตัวเองที่พูดออกไปล้วสงสัยความเพียนของพวกคุณเดี๋ยวนี้ยพวกคุณจะไปติดหยูนหน้าจอโทรศัพท์บ้างติดอยู่ ร้านก๋ยเตี๋ยวบ้างปิดอยู่กับข้างสรรพสินค้าบ้างปิดลืมใจลืมกำหนดรู้ไหมว่าความลืมที่ไปอยู่ตลอดตลอดอันนั้นแหละคือขุมทรัพย์มหาศาลของความเป็นกิเลสอ่ะขุมทรัพย์มหาศาลทางความเป็นกิเลสอ่ะพรมที่จะ ต่อพบต่อชาติให้คุณพร้อมที่จะพลักดันให้คุณเป็นนักเบียวบายตายเกิดไม่มีพบไม่มีชาติไหนที่จะสิ้นสุดลงได้คำว่าเข้ามาหาใจเนี่ยคือหุ้นเข้ามาตัดเข้ามาย่นเข้ามาใกล้เข้ามาจะทายังไงกันจะทำยังไงกั น, ย, กนยังจะเต็มใจให้หลอกไปอีกเหรอ พวกที่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เยอะกว่าเรานะพวกนี้ผู้ดูพวกมันมีกี่ล้านกี่แสนอยู่นั่นน่ะสัตว์อื่นๆเรานี่ยังบุญดีว่าสนาดีแต่ถ้าไม่ได้ทำดีตรงนี้อาจะมาไม่ไดไม่อยากจะพูดเลยนะ ว่าบุญดีวาสนาดีมาช่วยเอาบาปเอาบุญแล้วก็จะไปไม่ใช่เรื่องอะไรเลยปีธริมดาเขาพอได้บาปได้บุญแล้วก็จะไปแล้วไปก็ไปเป็นโทษข้างหน้าอีกละมันก็อยู่อย่างเงี้ยอะคุยกันสักหน่อยแล้วก็พักเที่ยงตอนบ่ายเรามาทุบกันใหม่ มีมีอะไรไหมครับท่านใดมีอะไรจะตอนบ่ายนี้เร า, าจะอธิบายบให้พอาจารย์นะครับละเอียดแล้วก็จบไปเลยนะจบไปเลยปีนี้คงจะไม่ได้มาอีกแล้ว <c oughs> อย่าได้คิดเลยว่าปีนี้เราจะมาอีกทีวทนี่นะ <c oughs> อะไรคุยไหมให้รายละเอยียดสักชั่วโมงกว่าก็คุยกันการตัดสินใจเป็นของพวกคุณเองนะการตัดสินใจเป็นของพวกคุณเองฟังแล้วให้ไปคุยกับตัวเองคุยกับตัวเองแล้วให้ตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไง มันก็มาถึงขนาดนี้ความเป็นชีวิตอ่ะมันก็มาถึงขนาดนี้ผู้ที่มีภาระทางสามีภรรยาผู้ที่ไม่มีภาระก็ให้รีบตัดสินใจว่าเราจะหยุดหรือจะไปต่อ ทั้งสองอย่างนี้ให้มีความเด็ดขาดกับตัวเองถ้าจะไปต่อก็ให้มีทรัพย์สินพอสมควรถ้าจะหยุดย้อนคืนลำบากหน่อยแต่ก็คุ้มค่าคุ้มค่าหนักหน่อยแต่คุ้มค่าถ้าจะ ไปต่อก็ขอให้มีทานสินภาวนาถ้าจะกรับสินสมาธิปัญญาสินสมาธิปัญญานี้คือกลับทานสินภาวนาคื อ, อไปต่อแต่ไปต่อ ท, ที่ไม่ค่อยมีทุกข์ถ้าไม่มีทานสินภาวนาก็ไปต่อได้ แต่ เ, เป็นระบบของความทุกข์ล้วนๆเพราะฉะนั้นพระบุทธเจ้าบัญญัติไว้สองขยักเนี่ยทานศีลภาวนาเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ต้องการไปพระนิพพานศีล ส, สมาธิปัญญานี่สำหรับผู้ที่จะไปพระนิพพานโดยตรงไม่ได้เกี่ยวกับ บัรทุกสิ่งของไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งอันนี้ให้ตัดสินใจเองถ้ายังไม่มีอะไรก็ให้เข้าใจเลยว่าตัวเองยืนอยู่ในยืนอยู่ตามยะถากรรม พวกคุณเคยถามหมาไหมเคยถามหมาไหมเคยคุยกับหมาไหมอาตมานี่เคยคุยกับหมาตลอดนะอาตมาก็เลยหลงถามเขาไปว่านะหมาทำไมไม่เกิดมาเป็นมนุษย์ล่ะหมามันก็หัวเลาะกีบเลยนะ มันบอกว่าโอ้ยอยากเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันนะอยากขับรถอยากไหว้พระสวดมนต์มันว่านะแต่ทำยังไงได้อนะบุญมันไม่พอก็เลยมาเป็นหมาก่อนหมาก็มีความฉลาดเหมือนกันนะมันก็ถามมาเหมือนกันมันบอกว่าท่าน ท่านเน่ยเกิดเป็นมนุษย์นะมนุษย์ยังไม่พอท่านยังเป็นนักบวช ด, ด้วยแต่ถ้าท่านทำบุญไม่พอท่านตายไปท่านจะไปไหนอะ่ะท่านก็คงจะมาเป็นเพื่อนกับเรานีแล่ททำบุญท่านไม่พอหลังการตายนี่เราเป็นเพื่อนกันนะ <c oughs> จะเอาอย่างนั้นเหร คือคือเข้าใจเข้าใจความเป็นธรรมชาติไหมวันนี้เนี่ยเราอยู่ตามธรรมชาติตามธรรมชาติถ้าเป็นลูกน้ำก็อยู่ในน้ำเฉยๆนะเดี๋ยวนี้นะอยู่ตามธรรมชาติ ไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นเลยมีแต่โทษเป็นเส้นเป็นหนามเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาด้วยความคิดไม่ประกอบด้วยศีลด้วยธรรมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นบาปเป็นเส้นเป็นหนามขึ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าอยู่เป็นศีลเป็นธรรมนี้ไม่มีเส้นมีหนามตัวเนี้ยป็นบุญไปเลย เราอยู่เรานั่งอยู่เฉยๆนี่อยู่คือธรรมชาติอยู่ตามยถากรรมทีนี้อาตมาจะมาชักชวนพวกเราเข้าสู่ระบบการแก้ไขสักนิดหนึ่งถึงไม่ถึงจุดจบก็ขอให้เป็นทรัพย์สมบัติมหาศาลที่เราจะเอาไปได้คุณค่ามากกว่าเงิน หลายล้านที่ค้างอยู่ค้างอยู่กับโลกนี่นะถ้าเราได้ทาเราอะไม่รู้จักที่ต่ำที่ระดับต่าระดับสูงของบุญเดี๋ยวนี้นะคำว่าการให้ทานเนี่ยมันเป็นบุญระดับต่ำที่สุดทางพระพุทธศาสนานะ ระดับสูงสุดคืออะไรก็คือการรักษาใจนี่แับสูงสุดที่มีคุณภาพมากแต่พวกเราก็ไม่ค่อยเอากันไงมาเอาตั้งแต่ดักษณะการให้ทานอันนี้ผู้หญิงคนหนึ่ง่ไปที่วัดดอยเขาทำงานอยู่ที่ไหนไม่รู้อยู่กรุงเทพเนี่ยขาก็อ้างเพื่อนเขา ถึงเป็นคนสนิทจุบวัดโดยพอได้เข้าไปเข้าไปก็ไปหาธรรมาอยากภาวนาอยากปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ใช่เรื่องอยากแนตะ่ถ้าอยากปฏิบัติธรรมแล้วก็มาทเทศ์มาพูดมาฝึกหัดให้สักนิดหนึ่งแต่ถ้าระยะไปครั้งสองครั้งหายไปเลยหายไปอ้า มาครัง้งแรกก็ว่อยากปฏิบัติทำพ่อสอนให้จริงๆิงหนีไปเลยเอา้ามาเจอครั้งหนึ่งอยู่หลวงพ่อบุญยาทธอ่ะก็ไม่ได้ไปนะครั้งนั้นก็ยังไม่ท่าไรมาเจออีกครั้งอยู่งานหลวงพ่อบุญทันอยู่เพชรบูรีเจออีกครั้งไปเที่ทองของหลวงปู่ไม่ที่ เขาบอกว่าโอเคแล้วพยายามขนขวายเอาบุญก่อนตายโอ้บุญอันสูงสุดที่เราที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญเราแนะนำให้ไม่เอาขึ้นไปสูงแล้วนะกลับลงมา อามาเอาการให้ฐานวิ่งไปวัดนั้นวั ด, ด<笑><笑>วนี้ก็เลยเออเป็นชีวิตที่น่าสงสารเหมือนกันพวกเราจับหลักของการขัดเกลากจิตใจนี้ให้ได้เถอะมีทานอยู่เป็นนิดมีศีลอยู่เป็นนิดพอแล้วขอให้จับหลักของการขัดเกลากจิตใจ ให้ดีมีทําการอยู่มีการกระทําให้สม่าเสมออยู่ตลอดเวลาสุดยอดไม่ต้องไปไหนอยากใส่บาตรเถอโอ้พระสงฆ์องคสาตมาเรนบิณฑบาตเยอะแยะอะไรใจไปเถอะอยากให้ทานเหนอพวกคนพิกงพิการพวกคนชราให้ทานไปเถอะ ตามกำลังอันนี้คือถือว่าสุดยอดแล้วนะพวกคุณยังเหื้อหาเบือหวาเพื่อที่จะไปเป็นเศรษฐีที่ไหนเพื่อจ ะ, จะซื้อเครื่องบินเหาะเหินไปที่ไหนกันพระพุทธโท้ดสุดยอดแล้วเนี่ยยังหวังอะไรอยู่ยังหวังอะไรอยู่เขาเอารถ เทเลอร์มาให้สักร้อยคันคุณจะมีความสามารถบริหารไหมอ่ะขายทิ้งเอาเงินมาสรุงหมดมันกิเลสนีมันสำคัญนะจะให้ใหญ่ๆตัตๆมันก็ไม่เอาก็อยากไปแค่พลักดันเราไปเรื่อยๆนี่แหละพอไหมหิวไหม หรือไม่ต้องกินจะอธิบายให้อธิบายให้ดีๆอธิบายให้ดีๆแล้วปฏิบัติเสียนักมวยนกยกสุดท้ายวินาทีสุดท้ายเคยได้ยินไหมยกที่ห้าวินาทีสุดท้ายนกแล้ว ท้งตาพี่แพ้คาเทียนมาตลอดเอาแบบนั้นไหมประเด็สึกพระธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมดาอาจจะมาจะอธิบายลิเดตของธรรมะที่แสดงตนเป็นเพื่อนของผู้ปฏิบัติให้ดูให้ฟัง ลิดิเดชของธรรมะที่แสดงตนเป็นเพื่อนของผู้ปฏิบัติเข้าใจไหมเขาแสดงลักษณะไหนสุดยอดพวกคุณนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าพวกคุณปฏิบัติธรรมมพอสมควรธรรมะเหล่านี้จะเหตุตึมมาให้กำลังใจอยู่ตลอดเป็นเพื่อนฝูงคุยอยู่ตลอด สุดยจอดนะป่ะทานข้าวสักหน่อยไหมทานข้าวสักหน่อยไหมยมยีจะคุยอะไรอยู่มีไหมมี ม, ม, ม, มคีคนคุยไหมมีท่านใดจะได้เลยแล้วให้ความเป็นกันเองตลอด ก็ในช่วงบ่ายก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีข้อสองสัยอะไรก็จดมาก่อนก็ได้ครับหรือจดมาก่อนเตรียมมาก่อนนะครับหรือมีความสองสัยในระหว่างการบรรยายการปฏิบัติดเดี๋ยวก็ค่อยมาสรุปกัอนอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ความเป็นกันเองตลอดแหละให้ความเข้าใจตลอดจบเลยนะวันนี้นะจบเลย พูดให้จบแล้วก็จะสรุปสรุปให้เลยพูดให้จบเลยวันนี้ขยายจออีกนิด้งไหมที่แฉมากระตุ้ตอนป่วยอะนะอะไรที่นั้ยเลยไม่ใช่หรือธรรมะผุดขึ้นมาบอธรรมะผุดเข้ามาเป็นกำลังใจอยู่ในใจนั่นแหละเตียงนั้นมันคนผีบ้าหรอองรอบเตียง คนไม่มีสินไม่ทำต้องมีสินมีธรรมเขามีธรรมในใจธรรมในใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่เสื่อมธรรมในใจนี้เป็นของแท้จริงประจำวัตตะเพื่อที่จะเข้าสู่พระนิพพานพระพุทธเจ้าบอกว่ า, วาทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ใต้กฎของความเป็นอนิจจงแต่ธรรมถ้าได้ไหลเข้าสู่ใจแล้วไม่มีคาว่าอนิจจง ไม่มีคำว่าไม่เที่ยงเที่ยงอยู่ตลอดพร้อมที่จะออกสู่สนามรบโซดาก็ต้องเตรียมพร้อมกองพลศิลกองพลสมาธิกองพลปัญญาก็ต้องเตรียมพร้อมสกิทาค่าก็เตรียมพร้อมเหมือนกันศิลพร้อมหรือยังกองพลกองพนัน สมาธิพร้อมมีอยังกองพลกองพันของสมาธิกองพลกองพันพของปัญญาพร้อมได้อย่างถ้าพร้อมแล้วจะได้เข้าโจมตีมันแค่ลักษณะนี้เราจิตใจสงบแต่ละครั้งไม่ใช่ธรรมดานะทั้งมีความสุขผู้ปฏิบัติทั้งเป็นบุญอย่างมากมา เพราะเราหยุดจะน้าจอโทรศัพท์มันไม่ได้อะไรนะฮะมันส่งไปหาบักเทิมบักถ้มบักโควิดโคแวดปวดไปหมดนะไปหมดนะเพราะฉะนั้น ใจเนี่ยเป็นโควิดมาตั้งนานเสียนานแล้วเป็นมะเร็งมานานเสียนานเป็นโรคเอตมานานเสียนานโรคของใจเนี่ยทราบป้าเขาเรียกว่ามีทุกโรคอยู่ในเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าจะร้ายแรงขนาดไหนไม่ใช่ปัญหาเลยรักษาให้ใหายขาดได้ทั้งหมด ถ้าเป็นเชื้อโรคทางใจไม่ยอมหรอไม่ยอมรักษา <c oughs> ถ้ารักษาให้หายหมดแล้วโลกนี้จะไม่มีศัตรูกับเราเลยเราจะไม่ได้แสดงตนเป็นศัตรูกับใครเลยถึงแม้ว่าคนเหล่านั้น จะแสดงตนเป็นศัตรูกับเราจิตดวงที่จบลงแล้วนี้ไม่ได้ถือเลยว่าเขาเป็นศัตรูเราคนคนนี้เป็นที่รักของเรามาตลอดเลยแล้วกโกรธใครอยู่แล้วเกลียดใครอยู่คนคนนั้นแหละจะกลายมาเป็นคนของเราในอนาคต เขาก็โกรธไปรักเขาก็เกลียดไปอยากให้เขามาอยู่เป็นคนของเราในอนาคตก็รีบโกรธเขาอยู่บ่อยๆ ไ, ไ, ไม่ได้ลงทุนจักสลึง่อยไปเลือก เดี๋ยวกลับคัดกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายค่อยมาเริ่มกันอีกครั้งนึ่งครับอรหังสมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระพันตังอภิวาเทมิสวะข้าโตพระขวัตาธโมธัมมนามาชามีสุปฏิปัน โอภาวาโตชาวากาชัง